หนึ่งรตาหะกรณียานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตสัตถาหะกรณียะเมื่อขอสร้างวิหารถวายเป็นต้นเรื่องอุบาสกสร้างวิหารเป็นต้นถวายข้อหนึครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชครื้ตามพระอัทยาศัยได้เสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะข้าหาบดีในกรุงสาวัตถีนั้นสมัยนั้นอุบาสกชื่ออุเทนได้สร้างวิหารถวายอุทิศทรงในแคว้นโกสลแล้วส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาข้าพระเจ้าปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ อุบาสกได้สร้างวิหารถวายอุทิศภิกษุณีสงฆ์อุทิศภิกษุณีมากรูปอุทิศภิกษุณีรูปเดียวอุทิศศิกขานามากรูปอุทิศศิกขานารูปเดียวอุทิศสมมเนตรมากรูปอุทิศสัมมเนรรูปเดียวอุทิศสมมเนรีมากรูปอุทิศสมมเนรีรูปเดียวได้สร้างเรือนมุงแถบเดียวได้สร้างปราสาทได้สร้างเรือนโล้นได้สร้างถ้ำได้สร้างบริเวณได้สร้างซุ้ม ได้สร้างโรงฉันได้สร้างโรงไฟได้สร้างกัปปิยะกุดีได้สร้างวัจจกุดีได้สร้างที่จงกรมได้สร้างโรงจงกรมได้สร้างบ่อน้ําได้สร้างโรงบ่อน้ําได้สร้างเรือนไฟได้สร้างโรงเรือนไฟได้สร้างสาโบขรณีได้สร้างมนตดบได้สร้างอารามได้สร้างอารามวัตถุถ้าเขาส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตตหกรรมนิยะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตตหกรณมยะพึงกลับในเจ็ดวันข้อหนึภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้อุบาสกได้สร้างที่อยู่ อาศัยเพื่อประโยชน์แก่ตนได้สร้างเรือนนอนได้สร้างโรงเก็บของได้สร้างร้านได้สร้างโรงกรมได้สร้างร้านค้าได้สร้างโรงร้านค้าได้สร้างปราสาทได้สร้างเรือโลนได้สร้างถ้ำได้สร้างบริเวณได้สร้างซุ้มได้สร้างโรงฉันได้สร้างโรงไฟได้สร้างโรงครัวได้สร้างที่จงกรมได้สร้างโรงจงกรมได้สร้างบ่อน้าได้สร้างโรงบ่อน้า ได้สร้างเรือนไฟได้สร้างสับบุขรณีได้สร้างมนตดบได้สร้างอารามได้สร้างอารามวัตถุเขามีงานมงคลสมรสของบุตรหรือของธิดาเขาเป็นไข้หรือจะกล่าวพระสูตรซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็ดีถ้าเขาส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระุเจ้าทั้งหลายมาจะได้เล่าเรียนพระสูตรนี้ก่อนที่พระสูตรจะเลือนไป ก็หรือว่าเขามีกิจธุระจาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตตหะกริยะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตตหะกริยะพึงกลับในเจ็ดวัน ข้อ190ิภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้อุบาสกได้สร้างวิหารถวายอุทิศสง่งท่านางส่งทูตไปในสำนักภิกษุณีทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายเมื่อนางส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตหะกรณียะได้แต่เมื่อนางไม่สรงทูตมาไม่พึงไป เมื่อไปด้วยสตหากรณียะพึงกลับในเจวันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้อุบาสกได้สร้างเรือนมงแถบเดียวถวายอุทิศสง์ได้สร้างปราศาสตรได้สร้างเรือนล้นได้สร้างถ้ำได้สร้างบริเวณได้สร้างซุ้มได้สร้างโรงฉันได้สร้างโรงไฟได้สร้างกัปปิยกุฎีได้สร้างวัชกุฎีได้สร้างที่จงกรมได้สร้างโรงจงกรมได้สร้างบ่อน้ํา ได้สร้างโรงบอร่อน้ำได้สร้างเรือนไฟได้สร้างโรงเรือนไฟได้สร้างสโบคุรนีได้สร้างมนต์ดลได้สร้างอารามได้สร้างอารามวัตถุทนางส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อนางส่งทูษมาพึงไปด้วยสัตหะกรณียะได้แต่เมื่อนางไม่ส่งทูษมา ไม่พึงไปเมื่อ ไ, ไปด้วยสัตตหกรรมนยะพึงกลับในเจวันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้อุบาสิกาได้สร้างวิหารถวายอุทิศภิกษุมากรูปอุทิตภิกษุรูปเดียวอุทิศภิกษุณีสงอุทิศภิกษุณีมากรูปอุทิศภิกษุณีรูปเดียวอุทิศสิกขามนามากรูปอุทิศสิกขามนารูปเดียวอุทิศสัมมเนรมากรูปอุทิศสัมมาเนรูปเดียวอุทิศสัมมาเนรีมากรูป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 ได้สร้างซุ้มได้สร้างโรงฉันได้สร้างโรงไฟได้สร้างโรงครัวได้สร้างวัจกุดีได้สร้างที่ชงกรมได้สร้างโรงจงกรมได้สร้างบ่อน้ำได้สร้างโรงบ่อน้ำได้สร้างสบุคคณีได้สร้างมนฑลบได้สร้างอารามได้สร้างอารามวัตถุนางมีงานมงคลสมรสของบุตรหรือของธิดานางเป็นไข้หรือจะกล่าวพระสูตรซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็ดี พนางส่งโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาจะได้เล่าเรียนพระสูตรนี้ก่อนที่พระสูตรจะเลือนไปก็หรือว่ามี <c oughs> ก็หรือว่านางมีกิจหรือธุระจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทนางส่งโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเมื่อนางส่งโทษมาพึงไปด้วยสัตหกรรมิยะได้แต่เมื่อนางไม่ส่งโทษมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตหกรรมิยะพึงกลับในเจวันข้อหนึภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุในธรรมรวินัยนี้ได้สร้างวิหารถวายอุทิศสงฆ์ภิกษุณีได้สร้างวิหารถวายอุทิศสงฆ์ สิกขามนาได้สร้างวิหารถวายอุทิศสงฆ์สามเณรได้สร้างวิหารถวายอุทิศสงฆ์สามเณรีได้สร้างวิหารถวายอุทิศสงฆ์อุทิศภิกษุมากรูปอุทิศภิกษุรูปเดียวอุทิศภิกษุณีสงฆ์อุทิศภิกษ um ุณ <man> ีมากรูปอุทิศภิกษุณีร <man> ูปเดียวอุทิศสิกขามนามากรูปอุทิศ <man> สิกขามนารูปเดียวอุทิศสามเณรมากรูปอุทิศสามณเณรรูปเดียวอุท LIKE ิศสมณเณรีมากรูปอุทิศสามเณรีรูปเดียว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 ในสร้างอารามได้สร้างอารามวัตถุถ้าภิกษุสัมเนรีส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมากระผมดิฉันปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสัมเนรีส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตตหะกรณียะได้แต่เมื่อภิกษุสัมเนรีไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตตหะกรณียะพึงกลับในเจดวัน